Thank you. คนเรามีชีวิต อ, อยู่ได้ก็เพราะอาหารและน้ำจะ ต, ตั้งสองอย่างนี้ก็ไม่สำคัญเท่ากับอากาศนะอาหารนี่ไม่ตกถึงท้องเราอย่าว่าแต่เจ็ดวันเลยนะเป็นเดือนก็ยังไม่ตายนะมีบางคนอดอาหารประท้วงเนี่ยกว่าจะตายก็น่น วัน80วันพอถึงไม่ตายไอถึงไม่กินอาหารนะแต่ว่าในร่างกายเราก็มีไขมันนะที่สามารถจะแปลรูปเป็นอาหารสำหรับเซลล์ต่างๆในร่างกายได้น้ำนี่ขาดน้ำสัก 4-5 วันเนี่ยถึงจะตายมันก็ยังไม่ตายนะคนที่อดน้ำได้นานกว่านั้นก็มีแต่ อากาศนี่ถ้าขาดสัก4ีหนาทีก็เรียกว่ากลายเป็นผักละเพราะสมองเรานี่มันต้องการออกซิเจนมากนะในอากาศเนี่ยที่มันสำคัญนะก็คือมีออกซิเจนออกซิเจนนี่เป็นอาหารนะของเซลล์ต่างๆในร่างกายมันทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ มันจะเรียกว่าอากาศหรือออกซิเจนนี่นะคือชีวิตก็ได้หรือเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับเราแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยในดาวดวงอื่นก็เหมือนกันนะจะมีชีวิตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่ามันมีออกซิเจนหรือเปล่านะแล้วเขาก็ดูว่ามีออกซิเจนหรือไม่ก็ดูจากว่ามันมีน้ำไหนะเพราะน้ำก็เป็นส่วนผสมเกิดจากออกซิเจน อันนี้ออกซิเจนเนี่ยมันให้ชีวิตกับเราก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่คุณอย่างเดียวนะมันก็มีโทษเด่นนะออกซิเจนเนี่ยนะเยขาพบว่ามันทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายนะเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยไม่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ อนุมูนอิสระนี้ก็เหมือนอันภานนะที่มันคอยไปทำลายเซลล์คอยไปทำลายพวกยีนนะที่อยู่ในเซลล์ของร่างกายเราทำให้เกิดความผิดเพี้ยนและพอสะสมมากๆ ก, ก็ทำให้เกิดความแก่ชาราผิวหนังเหี่ยวย่นผมงอกอวัยวะต่างๆเริ่มจะทำงาน ไม่เหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าตัวอนุมูลอิสระนี่เป็นสําคัญเลยและพอแก่แล้วก็ตายเพน้นออกซิเจนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่ให้ชีวิตกับเรานะมันยังสามารถจะให้ความตายกับเราได้ด้วยสัตว์ที่หายใจหายใจเร็วๆหายใจทีๆอนะ่ะเช่นพวกหนูเนี่ยกระตายเนี่ยมันหายใจทีกับเรานะ เราสังเกตมาผู้นี้มันจะอายุสั้นสาธิ่หายใจถี่เท่าไรก็อายุสั้นเท่านั้นเพราะว่ายิ่งหายใจถี่เท่าไรก็หมายความว่าเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมากเมื่อหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมากก็ทำให้ความแก่ชาราเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ตายเร็วนะสาธิ่หายใจช้าๆพวกนี้อายุยืนนะเช่นเต่าเนี้ย เนหายใจช้าอนุมูลอิสระที่เกิดจากออกซิเจนก็เลยน้อยนะมันก็เลยไปทำลายนะเอ า, อาวัยวะต่างๆในร่างกายน้อยไปด้วยหรือค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปออกซิเจนเนี่ยึงไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับเราอย่างเดียวนะจริงอยู่นะคนเราเวลาก็จะตายเนี่ยเวลาป่วยหนะักยก็ต้องออกซิเจนต้องใช้ออกซิเจนมาก ต้องมีทางออกซิเจนอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ตายเร็วเข้าไอ้สิ่งที่ให้ชีวิตกับเราก็สามารถจะให้ความตายกับเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คือออกซิเจนอุกออกซิเจนนี่ก็ดูไม่ยาก น, นะเหล็กกล้าเนี่ยนะเหล็กเนี่ย ควมันไปโดนกับอากาศเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะกลายเป็นสนิมแล้วยิ่งสนิมมากเท่าไหร่เนี่ยเหล็กน่นก็อ่อนเปราะมากเท่านั้นไอ้สนิมนี้เกิดจกากอะไรนะเกิดจากออกซิเจนนะออกซิเจนเขไปสันดาบนะมันไปเกิดการสันดาบขึ้นอันนั้นกับร่างกายแต่ถ้ากับกับสิ่งต่างๆเช่นเหล็กเนี่ยนะมันไปเกิดการเปลี่ยนแปลง เนี่ยขนาดเหล็กนี่ก็ยังกลายเป็นสนิมแล้วก็เปราะเนเพราะออกซิเจนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงร่างกายของเราที่ทำด้วยเนื้อนะนั่นสิ่งที่ให้ความให้ชีวิตกับเราเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เราตายได้ดูมันขัดแย้งกันนะสิ่งที่ให้ชีวิตขัดียวกันก็ให้ความตายกับเราแต่ที่จริงมันก็เป็นธรรมดาของของโลกเลยนะ คุณสมบัติสองอย่างเนี่ยที่ตรงข้ามกันบางทีก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มักจะอยู่ด้วยกันบ่อยๆซะด้วยสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสังเกตไหมมันก็ทำความทุกข์ให้กับเราด้วยลองนึกดูนะลองพิจารณาดูอะไรก็ตามที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยหรือแล้วแต่สร้างความทุกข์ให้กับเราในเวลาเดียวกันหรือเวลาไล่ๆกัน ในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องเล่าวาคราวหนึ่งเทวดาก็สนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วก็สรรเสริญการมีลูกการมีทรัพย์สินท่านบอกว่าเนี่ยมีลูกก็สุขเพราะลูกนะมีโคก็สุขเพราะโคลูกเจ้าก็เลยพูดว่าเนี่ยมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนะมีโคก็ทุกข์เพราะโคเป็นการทักท้วงหรือเป็นการ ตือนให้เทวดาเนีได้เห็นอีกด้านหนึ่งของความจริงแล้ลูกนี่ก็ให้ความสุขกับพ่อแม่แต่ในรายเดียวกันสิ่งที่พ่อแม่กลุ่มใจมากที่สุดก็ก็คือลูกนั่นแหละสิ่งที่ทำให้พ่อแม่กังวลมากที่สุดก็คือลูกนั่นแหละตั้งแต่ลูกเกิดมานะให้ลูกเกิดมาพ่อแม่ก็ดีใจนะ แต่ก็มีความทุกข์ในเวลาเดียวกันมีความกังวลว่าลูกจะอยู่ยังไงคอยระวังไม่ให้หมดไรไต่ตอมต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอันนี้ก็คือความทุกข์นะแล้วก็ก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆนะไปจนข้างลูกที่โต ลูกตอแล้วปลอดภัยแล้วช่วยตัวเองได้แล้วก็ยังทุกข์ว่าลูกนี่จะเป็นฝังเป็นฝาได้เมื่อไหรนะลูกจะมีอาชีพอะไรแล้วต่อไปก็ยังทุกข์เพราะลูกเวลาได้รู้มีปัญหากับคู่ครองนะพ่อแม่กังวลจนกระทั่งลูกนี่อายุ 40-50 แล้วมี มีลูกแล้วนะพ่อแมวยังกังวลเวลาลูกไปไหนก็คอยถามโทรศัพท์ถามว่าเป็นยังไงบ้างละลูกก็มีความทุกข์นะพ่อแม่ให้ความสุขกับลูกแต่ลูกก็ทุกข์เพราะพ่อแม่เหมือนกันบางทีก็ทุกข์เพราะพ่อแม่เนี่ยชอบเป็นห่วงลูกนะ มีลูกหลายคนเนี่ยพาพ่อแม่มาที่มาที่วัดนะแล้วก็ขอร้องให้ธรรมาพูดกับพ่อแม่ของเขาว่าอย่าห่วงลูกเลยเนี่ยขณะลูกก็สี่สิบห้าสิบแล้วนะพอพูดบอกกับพ่อแม่ว่าอย่าห่วงลูกเลยพ่อแม่ก็เถียงว่าก็เขาเป็นลูกฉันจะไม่ห่วงได้อย่างไร ความรักกับความห่วงไม่เหมือนกันนะรักโดยที่ไม่ต้องห่วงก็ได้พระพุทธเจา้านี่ก็รักสรรพสัตว์นะรักพระราหุลพอๆก็รักพระเทวทัตนะแต่ก็ไม่ได้ห่วงมีลูกนะก็ทุกข์เพราะลูกมีวัวก็ทุกข์เพราะวัววัวนี่ก็หมายถึงทรัพย์สมบัตินะได้อะไรมาจะเป็นโทรศรัพท์รุ่นใหม่นะ รถทั์หรือว่ารถยนต์หรือว่าบ้านก็มีความสุขอิ่มเอมนะแต่ก็มีความวิตกกังวลในเวลาเดียวกันว่าจ ะ, ะดูแลมันอย่างไรนะบางทีก็กลัวมันเสียกลัวมันพังนะแต่ถึงแม้มันจะไม่เสียมันยังไม่พังก็ยังต้องห่วงในการดูแลในการรักษาอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะร่างกายเรา嘛 มันให้ความสุขกับเรานะตอนร่างกายเราปกตินะกินอะไรก็อร่อยฟังเพลงก็เพราะร่างกายมันพาเราไปเที่ยวไปเห็นสิ่งสวยๆงามๆนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะไปต่างประเทศก็อาศัยร่างกายนี่แหละแต่วันดีคืนดีมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์นะเวลามันป่วยโอยยิ่งเป็นมะเรงนี่ ทุกทรมานมากเลยถึงตอนนั้นกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วฟังเพลงก็ไม่เพลาแล้วร้องโอดโอยนะโอดโอยกับอะไรอดโอยเพราะร่างกายนยะที่มันเคยให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนไปเป็นทุกข์ละที่จริงไม่ต้องรอให้มันเจ็บป่วยนะแค่ปวดท้องนะแค่ปวดท้องนะปวดท้องนี่ก็ต้องอยู่ไม่เป็นสุขแล้วให้ร่างกาย ที่มันเคยให้ความสุขกับเราตอนนี้มันกาลังสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเราเพราะว่ามันต้องการถ่ายถ่ายเบาบ้างถ่ายหนักบ้างหน้าตาก็เหมือนกันนะหน้าตาที่เคยให้ความสุขกับเราทำให้เราภาคภูมิใจไปไหนก็เชิดหน้าเพราะว่าหน้าเราสวยหน้าเราหลอ่อนะแต่งตึง ส, สุดท้ายนี่ก็มีความทุกข์นะเพราะมันนะเพราะมัน พ, อ ม, นพอมันเริ่มเหี่ยวพอมันเริ่ม ไม่เต่งตึงแล้วนะหรือที่จริงไม่ต้องรอให้มันเหี่ยวนะนะขณะที่มันยังสวยอยู่นะหน้าตาเนี่ยก็ทุกข์เพราะกังวลอยากจะให้สว ย, ยงี้ไปเรื่อยนะอยากจะให้เต่งตึงอยู่นี้ไปเรื่อยหรือว่าบางทีก็ทุกข์เพราะเห็นคนอื่นเ้าหน้าตาดีกว่าเขาหลอกกว่าแค่นี้ล่ะก็รู้สึกไม่พอใจหน้าตาของตัวล้ว แล้วก็เริ่มเห็นข้อบอกพร่องเห็นข้ อ, อผิดพลาดในหน้าตาของตัวก็เคยสอบถามพวกหญิงสาวนะที่หน้าตาดีในอเมริกาในยุโรปเนี่ยถามว่ามีความพอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวไหม 90% บอกไม่พอใจก็เห็นข้อตาําหนิข้อตินั่นตินี่ที่เห็นพ่ออะไรนะ ที่มีความคิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันไปเห็นคนอื่นสวยกว่าไปเปรียบเทียบกับนางแบบดาราที่เห็นตามโทรทัศน์นิตยสารคือถ้าไม่เห็นนะก็ก็รู้สึกว่าฉันสวยที่สุดในหมู่บ้านนะเกิดความภาคภูมิใจแต่พออุตากว้างไกลนะมีโทรทัศน์ได้อ่านหนังสือพิม เห็นดาราคนนั้นคนนี้สวยอายุก็อ่อนกว่าเราอตอนนี้เริ่มเป็นทุกข์ลวเป็นทุกข์กับหน้าตาของตัวเพราะว่าสวยสู้เขาไม่ได้แล้วคนเดียวนี้เนื่องจากหูตากว้างไกลเนี่ยไปเจอคนสวยสารพัดจากโทรทัศน์จากสมาร์ทโฟนมันก็ยิ่งเป็นทุกข์กับร่างกายของตัว แล้วก็พยายามที่จะทำให้หน้าตาของตัวนี้มันดูดีนะมีการตกแต่งมีการาผ่าตัดคนนี้หน้าตาดีขึ้นเยอะเลยแต่ว่าขณะดเดียวกันก็มีความทุกข์กับหน้าตาของตัวเหมือนกันนะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็ทำความทุกข์กับเราในเวลาเดียวกันนะชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่กิตติยศนะเหมือนกันนะใครๆก็อยากได้ มีแล้วก็มีความสุขฉลองแม้แต่พระก็ยังฉลองพัดยศนะเป็นพระครูนี่ก็ฉลองกันนะบางทีสามวันสามคืนเนี่ยแต่ก็ทุกนะก็ทุกเพราะไอ้สิ่งนี้แหละไม่ว่าจะเป็นฐานะตำแหน่งชื่อเสียงเพราะว่าอยากจะได้อีกอยากจะได้เพิ่มอยากจะได้ ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าทุกข์เพราะว่ามีคนจะมาแย่งชิงเอาตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองไปมีคนจะมาเลื้อยขาเก้าอีกา้ก็ทุกข์นะแม้แต่ความสุขที่ปันนิตนะเช่นความสงบนะเมื่อวานนี้นะปฏิบัติได้ดีเหลือเกินนะใจสงบมากเลยไม่เคยสงบแบบนี้มาก่อนเลยไอ้ความสงบแบบนี้แหละนะที่มันทําให้เราเป็นทุกข์ ทุกพรา อ, อะไรนะเพราะว่าพอถึงวันนี้ก็อยากจะได้แบบเมื่อวานบ้างอยากจะได้แบบเมื่อวานก็ไปเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาทันทีเลยและพอพยายามทําให้ได้อย่างเมื่อวานแล้วมันไม่ได้เนี่ยเกิดความผิดหวังเกิดความทุกข์เกิดความเครียดกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจเนี่ยทุกข์อะไรก็ตามอสุขอะไรก็ตามแล้วก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้ น, นในสิ่งที่ ให้ความสุขกับเรามันก็เจือไปด้วยทุกข์นะอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยจะตระหนักเท่าไหรนะ่เวลาเห็นอะไรที่มันให้ความสุขกับเราก็ก็มองแต่ด้านเดียวนะว่านะมันจะให้ความสุขกับเราก็พยายามดิ้นรนแสวงหาโดยที่ลืมมองไปว่าไอ้ตอนที่ดิ้นรนเนี่ยมันก็เหนื่อยลวมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันอะไรที่แสวงหาเนี่ยนะ ถ้าวางใจไม่เป็นก็ทุกเลยนะเพราะใจมันจดจ้องอยู่แต่ว่าเมื่อไรจะได้นะแล้วถ้าคนเราเนี่ยได้มองว่าในในสุขในสุขมันมีนมนมทุกข์สิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็ให้ความทุกข์กับเราพร้อมกันเราก็จะระมัดระวังนะไม่ได้ไปลหลงไหลได้ปื้มกลับมาหรือไม่ไปรุ่มหลงกับมันเสียทีเดียวนักนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเนื้อปลานะเวลาเรากินปลาเนี่ยปลาเนี่ยมันก็มีก้างปลาอยู่ด้วยถ้ากินไม่ระวังเนี่ยก้างปลามันก็ตําคอตําปากเอาสิ่งที่เราสุขมันก็เติบไปด้วยทุกนะอย่างที่พูดมานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วที่มันทําให้ทุกเนี่ยเพราะว่ามันไม่เที่ยงนะ ถ้าหากว่าทุกอย่างที่ให้ความสุขกับเรามันเที่ยงนะมันก็คงจะเราก็คงจะเป็นทุกข์กับมันได้ยากนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะเพราะว่าถึงแม้ทุกอย่างเที่ยงเช่นหน้าตาเรายัางสวยเหมือนเดิมไม่แปรเปลี่ยนเราก็อาจจะทุกข์อีกแบบนึงนะพอเห็นคนที่สวยกว่าเราก็อยากจะให้หน้าตาเราสวยกว่าเดิม คนที่มีเงินแล้วก็คอยระมัดระวังว่าเงินของตัวเองเนี่ยจะมีคนแย่งชิงไปอ น, นี้เพราะกลัวหายกลัวว่ามันจะลดลงไปแต่ถึงแม้เงินไม่ลดลงเลยนะมีหลักประกันแน่นอนว่าเงินเนี่ยไม่ลดไม่มีหายก็ยังมีความทุกข์นะเวลาเห็นคนอื่นรวยกว่าก็อยากจะรวยบ้างแล้วร้อยล้านนี่ไม่พอแล้วนะอยากได้200อยล้าน อันนี้พออ่อเลยพ่อว่าคนเราพอได้อะไรก็ตามเนี่ยมันมีความสุขทีแรกๆต่อไปความสุขมันก็ลดลงนะตอนที่ได้เงินร100อยบาทตอนที่ได้เงินแสนบาทนี่ดีใจหรือถูรัตต์รี่เงิน1ล้านบาทดีใจแต่พอผ่านไปสักสี่วันหรือผ่านไปสักสี่เดือนความดีใจมันหายไปละนะก็เคยทําวิจัยสอบถามคนที่ถูก ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทั้งสลากกินแบ่งสลากลกินรวบแล้ะพราบว่าความดีใจนะเมื่อได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ไม่เกินหเดือนนะทีแรกก็ดีใจแต่ผ่านไปหกเดือนเนี่ยความดีใจหายไปแล้วเงินยังไม่หายเลยนะเงินยังเท่าเดิมนะเงินรางวัลอยู่อยู่ในธนาคารเลยไม่มีใครขโมยไปแต่ความสุขมันลดลงละเพราะอะไรเพราะความสุขก็ไม่เที่ยง เงินมันเที่ยงนะสมมติว่าเงินเที่ยงนะแต่ว่าความสุขเพราะเงินมันไม่เที่ยงนหน้าตาเรายัางเหมือนเดิมนะเดือนที่แล้วกับเดือนนี้สมมตินะว่ามันเหมือนเดิมแต่ความสุขเพราะหน้าตาเนี่ยมันไม่เที่ยงก็ต้องอยากจะให้สวยกว่าเดิมแล้วคนเราเนี่ยเพียงแค่ยังไม่พอใจนะถ้าหากว่า ไอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่มันเท่าเดิมอยากจะให้มันมากกว่าเดิมเพื่อความสุขมันจะได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ความจริงคือว่าทุกอย่างเนี่ยนอกจากมันจะไม่เท่าเดิมแล้วมันยังเสื่อมลงไปด้วยอันนี้เรียกว่าอันดิจังทุกขังหน้าตาเราทําให้มันดีกว่าเดิมได้ให้สวยกว่าเดิมได้แต่ว่าก็ชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมก็คือต้องแก่ไป ตำแหน่งของเราเนี่ยสามารถจะขยับให้มันสูงขึ้นได้นะอันนี้ประโย์ความไม่เที่ยงนะให้มันสูงขึ้นได้จาก48เป็น49นะแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันไปสุดแล้วคือ41ก็ต้องจบนะและพอถึงกเสษียงก็ต้องวางให้หมดนะจาก41เนี่ยมันก็เป็นอดีตไปแล้วมันไม่ใช่ปัจจุบัน สุขที่ได้จากความสงบนะหรือว่าสุขที่ได้จากอะไรก็ตามนะที่เรียกว่าการมาสุขนะมันก็ไม่เที่ยงนะและความไม่เที่ยงนี่ก็ถือเป็นเป็นเป็นโทษอย่างหนึ่งนะที่ทําให้คนเรามีความทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอความสุขเนี่ยนะก็ต้องเตรียมใจไว้เผื่อใจไว้นะว่าเออมันอาจจะเสื่อมไปนะถ้าเรา เตรียมใจเผื่อใจไว้นะนะพอมันเสื่อมไปเราก็ไม่ทุกข์นะอันนี้เรียกว่ารู้เท่าทันความสุขนะไม่ว่าจะเป็นความสุขจากทรัพย์สินเงินทองความสุขจากลูกความสุขจากคนรักความสุขจากเกียรติยศชื่อเสียงหรือแม้แต่ความสุขจากการปฏิบัตินะคือความสงบหรือว่าปิติเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเรารู้เท่าทันมันนะก็คือเราตระหนักว่าเออมันไม่เที่ยงนะ พอถึงเวลามันเสื่อมไปเราก็ไม่ทุกข์นะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้รู้เท่าทันไอ้ความสุขเหล่านี้ก็เปลี่ยนเมื่อกินปลานีกินปลา น, น, นี่ไม่ระวังกินปลาไม่ระวังไม่ได้คิดว่าในในเนื้อปลาเนี่ยนะมันมีก้างอยู่พอกินปลาไม่ระวังเป็นยังไงมันก็ตำคอตำปากเอา แต่คนฉลาดนยเวลาเากินปลาเนี่ยนะก็กินแต่เนื้อปลาแต่ว่าระวังไม่ให้ก้างต่ำคอได้อันนี้ก็หมายความว่าคนเราเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างที่ให้ความสุขเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความทุกข์กับเราได้ใ น, ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องหนีสุขนะเราก็ยังอยู่กับมันได้นะแต่เรามีความระมัดระวังคือรู้ทัน นะไม่ลหลงไหลได้เปลื้มไปกับมันเวลาได้เวลามีก็รู้ว่าเออมันไม่เที่ยงนะนะมันแปลเปลี่ยนไปถึงเวลาหน้าตาที่เคยสวยมันเริ่มแปลเปลี่ยนไปก็ไม่ทุกข์เพราะเราเผื่อใจไว้แล้วเข้าของที่มีถึงเวลามีคนขโมยไปนะหรือว่าเงินเขาโกงเราไปก็ไม่ทุกข์ เพราะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองสักวันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงนะเจอกับจากนะมันเป็นของคู่กันพบกับพรากเป็นของคู่กันแม้แต่มีก็ต้องหมดมันเป็นของคู่กันเวลาเราถ้าเราเผื่อใจไว้อย่างนี้นะเวลามันมีความแปรเปลี่ยนไปนะเราก็ไปทุกข์ เวลาได้เพิ่มนะไม่ใช่ลดเวลาได้เพิ่มเราก็ไม่ได้ปากืึมดีใจเพราะรู้ว่าวันนี้เพิ่มนะแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะลดหรือหายไปก็ได้อันนี้เรียกว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไม่ประมาทอย่างรู้เท่าทันท่านเรียกว่าเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เราก็าไปเกี่ยวข้องนะโทษก็คือว่ามันไม่เที่ยงนะแล้วก็มันก็ สักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมดับไปเรียกว่ามันเป็นทุกข์นะท่องหมดท่องปวงก็เพราะมันไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรางั้นถ้าเราเรารึกว่าอย่างเงี้ยเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่เป็นทุกข์นะพุทธศาสนาไม่ไดไ้ไม่ได้บอกว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปเกี่ยวข้องกับความสุขให้หนีความสุขไม่ใช่แต่พระองค์บอกว่าเวลาเกี่ยวข้องกับความสุขก็ให้รู้เท่าทันมันนะอย่าสยบโมัวเมานะ ในสิ่งนั้นทาความดีแล้วนะได้รับคำชื่นชมสารเสริญมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีทรัพย์สินตามมาก็อย่าหลงไหลในสิ่งนั้นนะ้รเจ้าจัดว่าเนี่ยผลแห่งความดีย่อมเป็นพิกแก่ไม่ผู้พิจารณานะผลแห่งความดีก็คือเนี่ยลาบยศ สารเสรเิญสุกนะถ้าเราไม่พิจารณามาเมื่อไหร่นะมันกลายเป็นพิษทันทีก็คือกลายเป็นหนามกลายเป็นหอกมาทิ่มแทงเราพิจารณาว่ายังไรพิจารณามันไม่เที่ยงนะอันนี้รวมไปถึงร่างกายของเรานะรวมทั้งใจของเราด้วยเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นของเราของเราเนี่ยก็ต้องพิจารณาอยู่เสมอว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์ไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นได้ เวลายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็ตามนียรวมทั้งสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือร่างกายนี้รูปนี้เนี่ยนอันนี้มันเป็นโทษเป็นอันตรายนะอุจจารตัดว่านเนี่ยเมื่อใดก็ตามนะที่ยึดมั่นถือมั่นในรูปนี้เนี่ยเมื่อนั้นทิฐิก็เกิดขึ้นว่าลมไม่พัดแม่น้ําไม่ไหลหญิงสตรีมีคันไม่คลอดพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ขึ้นและไม่ตก หมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเช่นยึดมั่นถือมั่นในรูปเนี่ยมันก็จะมีความคิดขึ้นมาว่าทุกอย่างนี้เที่ยงพอยึดมั่นถือมั่นปุ๊บนี่นะมันจะมีความคิดขึ้นมาเรียว่าเที่ยงไอความคิดเนี่ยคือมิจฉาทิฏฐินะความคิดว่าเที่ยงเนี่ยก็คือความคิดที่สวนทางความเป็นจริงเพราะว่าธรรมดาเนี่่น้ำก็ต้องไหลลมก็ต้องพัดหญิงมีคันก็ต้องคลอด ภนะาธิตก็ต้องขึ้นแล้วก็ลงเช่นเดียวกับพระจันทร์แต่ทันทีที่เราไปยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปนี้กายนี้หรือทรัพย์สมบัติหรือคนรักของเราเนี่ยมันก็แสดงว่าเรากำลังมีความคิดที่สวนทา ง, งความเป็นจริงเหมือนกับว่าเรายือนอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวนะ ถ้าเรายืนอยู่กลางกระแสน้ําเชี่ยวเกิดอะไรขึ้นนะก็ถูกน้ําเชี่ยวเนี่ยพัดพาไปจนอาจจะไปกระแทกกับหินไปกระแทกกับกอกแก่งเจ็บปวดหรืออาจจะปางตายความจริงเนี่ยมันเหมือนกับกระแสน้ำนะและเป็นกระแสน้ําที่เชี่ยวด้วยก็คือว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะต้านทานมันได้เก่งแค่ไหนนะยิ่งใหญ่แค่ไหน และคิดว่าตัวเองไม่ตายคิดว่าตัวเองไม่แก่ตัวเองไม่ป่วยตัวเองไม่พัดพลาดเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับคนที่เอาตัวไปอยู่ท่ามกลางกระแส น, น้ําเชี่ยวเจ็บปล่าเปล่านะนอกจากจะเหนื่อยล้าแล้วเนี่ยทุกท้ายก็เจ็บเจ็บตัวเพราะว่าโดนน้ําเชี่ยวเนี่ยมันพัดไปกระแทกกาะแกงคนที่มีความคิดว่าเนี่ยฉันต้องไม่ตายนะฉันต้องไม่แก่นะฉันต้องไม่สูญเสียไม่พัดพลาดเนี่ยก็คือคนโง่นะที่กํำลัง พาตัวเองเข้าไปสู่ความทุกข์นะสิ่งที่ตามมาก็คือความเจ็บปวดนะไม่ใช่ปวดกายและปวดใจนะเพราะว่าของรักมันพัดพรากไปมันเสื่อมไปเช่นหน้าตาเช่นร่างกายนะเช่นคนรักเช่นทรัพย์สมบัตินะเพราะนั้นเนี่ยให้เราในเวลาเรามีความสุขนะัก็ให้เราเผื่อใจไว้เสมอนะเออว่าเอาเอมันไม่เที่ยงเวลาเราได้อะไรมา แม้จะเป็นสิ่งที่เราพอใจนะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคำสารเสริญชื่อเสียงนะหรือแม้แต่ความสงบจากการปฏิบัตินะก็ให้เราเพื่อใจว่าเออมันไม่เที่ยงสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปมันอาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยใหม่ๆอาจจะทำให้เราสึกสะดุดนะเพราะว่าคนเราเวลามีความสุขมันก็อยากจะปล่อยใจ ให้หลงไปความสุขแต่พอทักท่วงแบบนี้มันก็ทำให้สะดุดแล้วมาทำให้ความสุขมันลดลงหลายคนก็ไม่ชอบนะแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มเป็นการเติมภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจถึงเวลามันเสื่อมไปถึงเวลามันหายไปถึงเวลาเจ็บป่วยเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าเราเผื่อใจไว้แล้วนะมันเป็นเช่นนั้นเอง เราท่องอไว้เสมอนะเราจะเรามีความแก่เป็นธร <laughing> รมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้นะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ไดนะ้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเราท่องไว้อยู่เสมอเตือนเตือนใจไว้อยู่เสมอนะขณะนี้ในเวลาที่เรายังมีกําลังวังชามีสุขภาพดี ยังมีคนรักมีทรัพย์สมบัติอยู่กับเราก็เตือนเอาไว้พูดกับบอกเราไว้มันอาจจะช่วยทมันอาจจะทำให้เราเป็นสุขได้ไม่เต็มที่นะแต่ว่ามันก็ทำให้ถึงเวลาทุกขเราก็ไม่ทุกเต็มที่เหมือนกันคนที่หัวเราะดังนะเวลาร้องไห้ก็จะร้องไห้ดังมากเลยถึงเวลาเราจะหัวเราะเราก็หัวเลาะเบาๆนะอาจจะไม่อาจจะไม่สนุกเท่าคนที่หัวเลาะ ด, ดัง แต่ถึงเวลาสูญเสียนะเราก็จะไม่ร้องไห้ดังเหมือนกันเราก็จะร้องไห้เบาๆหรือไม่ร้องไห้เลยเพราะเรารู้ว่าเออเป็นเช่นนั้นเองเรารู้แล้วว่าลมก็ต้องพัดแม่น้ำก็ต้องไหลนะหญิงมีครรภ์ก็ต้องคลอดนะพระอทิพระจัน์ก็ต้องขึ้นและตกนั้นมีอะไรก็ต้องหมดเหมือนกันนะเจออะไรก็ต้องจากพบแล้วก็ต้องพากนั้น นี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เราอยู่กับโลกที่มันผันผวนแปรปรวนได้อาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยให้อยู่ในโลกนี้เหมือนกับลิ้นงูอยู่ในปากงูนะปากงูที่มันอันตรายนะแต่ลิ้นงูเนี่ยมาอยู่ในปากงูได้โดยที่ไม่เป็นอะไรเพราะอะไรมันมีเทคนิคนะก็เหมือนคนเราเนี่ยอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยทุกข์นะแต่เราก็อยู่ได้ยังมีความสุขนะเพราะว่าเรารู้เท่าทันโลกเรารู้ว่า ปลานี่มันก็มีกล้างนะที่ต้องระวังพอเรามีสติพอเรามีปัญญาเรากกินปลาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวก้างปลาจะตำํำนะอยู่ในปาก ง, งูก็อยู่ได้เพราะเราทำตัวเหมือนลิ้น ง, งูนะลิ้น ง, งูในที่นีไม่ได้แปลกลัาระลอนนะแต่หมาถึงว่ามีความฉลาดมีความเท่าทันนะในโลกที่อยู่แล้วก็นะชาติกรเพือท่านนี้